วิวาธาทิกรวิวาทเป็นวิวาธาทิก่อนวิวาทไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นวิวาทเป็นอธิกรด้วยเป็นวิวาทด้วยหรือวิวาทเป็นวิวาทาทิกรก็มีวิวาทไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นวิวาทก็มี เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาท ด, ด้วยก็มีบรรดาวิวาทนั้นวิวาทที่เป็นวิวาธาธิกรณ์เป็นฉไหนภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมวิวาสกันว่าหนึ่งนธรรมน้อธรรมละ 9. นี้อาบัติชั่วยาี้อาบัติไม่ชั่วยาความบาดหมางความทะเลาะ ความแข่งแย่งความวิวาดความกล่าวต่างกันความกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจความหมายมั่นในเรื่องนั้นใดนี้ชื่อว่าวิวาดเป็นวิวาธาทิกรบรรดาวิวาดนั้นวิวาดไม่เป็นอธิกรเป็นฉไนมารดาวิวาดกับบุตรบ้าน บุตรวิวาดกับมารดาบ้างบิดาวิวาสกับบุตรบ้างบุตรวิวาดกับบิดาบ้างพี่ชายวิวาดกับน้องชายบ้างพี่ชายวิวาดกับน้องหญิงบ้างน้องหญิงวิวาดกับพี่ชายบ้างสหายวิวาดกับสหายบ้างนี้ชื่อว่าวิวาดไม่เป็นอธิกรณ บรรดาวิวาทนั้นอธิกรณ์ไม่เป็นวิวาทเป็นชะไหนอนุวาธาธิกรณ์อาปัตตาธิกรณ์กิจจาธิกรณ์นี้ชื่อว่าอธิกรณ์ไม่เป็นวิวาทบรรดาวิวาทนั้นอธิกรณ์เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วยเป็นชะไหนวิวาธาธิกรณ์เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วย